บัร น, นี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเราได้พูดกันมาถึงเรื่องของโลกคือสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยเป็นธรรมดาที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โดยจำดับก็มาถึงเรื่องของโลกสี่ คืออาหารสี่ที่จริงพวกอาหารนั้นโดยสถานะอของเขาแล้วก็เป็นกลา ง, ลางไม่จัดเป็นกลุ่มธรรมก็เรียกว่าเป็นอัพญากระตาธรรมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและอกุศลขึ้นมาได้ที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับคือกวลิงกระรา อาหที่บริโภคดื่มกินลิ้มเข้าไปทางปากวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณที่เกิดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเรี่ว่าจากขู ว, วิญญาณคือความรู้ทางตาจนถึงมโนวิญญาณความรู้ทางใจแล้วปัสสาวันอาหารคือผัสสัได้เกิดการกระทบกันของอริยตนะภายในภายนอกและวิญญาณ เราก็เรียกว่าผัดสะหรือสัมผัสที่จริงพวกเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันเป็นเรื่องของขนามาจากวิญญาณก็เป็นสัมผัสแต่ธรรมะปฏิบัติในชั้นของจิตใจนั้นเป็นการพูดถึงเรื่องขนาเพราะาดูแล้วมันก็มีความรวดเร็วเหลือเกิน นับองคธรรมใกล้ๆจะมากแต่ในทางความเป็นจริงแล้วแกก็ถึงกันในทันทีทันใดเพียงแต่ในชั้นของขณะจิตถือว่ามันเกิดขึ้นคนละขณะกันก็เรียกองคธรรมนั้นเป็นคนละอย่างกันไอ้กิเลสจะเกิดหรือจะดับบุคคลก็สามารถดับในช่วงเหล่านั้นแต่ตัวของแกเองไม่ใช่เป็นกิเลส เป็นพวกกับปยากตธรรมดังกล่าวเป็นเพียงแต่เป็นเหตุให้เกิดกรณนี้เพิงแสดงเพึงสังเกตในกรณีของกศารสายเกิดที่พระเจ้าทรงแสดงว่าตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาคือความจำสัญเจตนาคือความจงใจและในตัวตัณหาเอง หรือวีตกวิจาร์ถ้าดูนับองค์ธรรมได้มากแ้กิแต่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ว่าในแง่ของสามัญชนโดยทั่วไปนั้นเป็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกเราก็เดินรวดไปถึงวิจาร์เลยสวยไม่สวยอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดี แล้วก็วิจารณออกไปสารพัดได้แต่จริงๆแล้วในขณะของจิตนั้นกิเลสก็เกิดดับอย่างต่อเนื่องกันมาตั้งหลายครั้งนั่นดังนั้นธรรมะปฏิบัติในชั้นสูงแม้จะมีองค์ธรรมมากๆก็ตามจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องรวดเร็วเป็นนาทีเป็นวินาทีเท่านั้นเพราะเพื่อจะดับพระเจ้าก็ทรงสอนในรูปของสายดับเอาไปตำนองว่าเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่น เหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นความร้อนเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นความเย็นก็เกิดขึ้นในตรงนั้นเองดังนั้นเมื่อมองในสายดับจะเรียกเต็มที่หรืออธิบายนิโรธสัตว์เต็มที่ก็ทรงชช้คำว่าตั้นหาเมื่อบุคคลจะดับจะละเสียหรือจะดับเสียก็สามารถละดับที่ยตนาภายในภายนอกที่วิญญาณที่สัมผัส ที่เวทนาที่สัญญาที่สัญเจตนาหรือที่ตัวตันหาเองแล้วก็ทิวิตกวิจาร์ตกลงว่าทั้งสองสายคือสายเกิดสายดับเป็นการแสดงในรูปขณะที่ทียิบซึ่งจริงๆแล้วถ้าจิตใจไม่มีความสงบมั่นคงพอก็ระลึกไม่ทันวพรพวงนี้ได้เกิดดับผ่านไปในเวลารวดเร็วแล้วคลว้ายๆกับการวัด แต่ความเกิดดับของกระแสไฟที่เกิดดับอยู่ทุกขณะคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเข้าช่วยในการนับถึงจะนับได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าการนับจิตใจก็เป็นเรื่องของจิตที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะยังจะสามารถนับหรือร ล, ลึกทันได้อย่างเป็นขณะเช่นนั้น แังพวกอาหารประการต่อไปที่จริงก็เกิดสืบเนื่องกันดังเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาคำว่ามโนสัญเจตนาก็คือการที่จิตไปเหนียวนึกถึงอารมณ์ตามปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่เก็บไว้ภายในใจคืออารมณ์ที่เป็นนัดีที่สํานวนมาลีท่านใช้คําอีกคาหนึ่งว่าธรรมารมณ์ ก็ของเก่าเหล่านั้นมาเก็บเก็บแล้วก็มาเหนียวนึกเกิดขึ้นแต่ว่าการเหนียวนึกนั้นอาจจะเหนียวนึกผสมผสานกับสิ่งที่สัมผัสในปัจจุบันหรืออาจจะคาดหมายเพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อได้เพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นในอนาคตก็ได้เพราะมาดูตัวโมนุษโนสัญเจณนาหารมันก็มีอยู่ทุกเวลาทุกวันใจคนของบุคคลจะต้องเหนียวดึกอยู่ทุกวัน บางครั้งเราพบกับเรื่องที่เป็นปัจจุบันเช่เห็นคนเดินมาก็ต้องเหนียวนึกถึงเรื่องอดีตจวเกิดเป็นการจำได้จำไม่ได้คลับยคลายคลั่พรและจริงๆแล้วจะพบว่าก่อนความรู้สึกรู้จักหรือจำได้จะเกิดขึ้นนั้นจิตได้แล่นไปสู่อดีตคือเก็บเอาอารมณ์อดีตรูปแบบของบุคคล น, นั้นในอดีต ที่เก็บสะสมไว้าภายใจขึ้นมาเหนียวนึกเสก่อนแล้วจึงเกิดเป็นการจําได้แต่บางทีใ น, ในกรณีของการคลับคล้ายคลับคลาดันจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าใจก็ได้ตรึกนึกในรูปของมโนสัญเจตนาหารแต่พอดีมันนึกไม่ค่อยออกนึกไม่ค่อยชัดเลยก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เราเห็นในขณะนั้นเป็นคนนั้นหรือไม่ใช่คนนั้น แต่บางอย่างเราไม่มีมโนสัญเจตนาอาหารอยู่คือไม่ได้เก็บสะสมภาพของบุคคลนั้นไว้ภายในใจเพราะเห็นมาก็ไม่รู้จักเพราะมโนสัญเจตนาอาหารจึงสามารถที่จะเพิ่มได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็เช่นเดียวกับพวกอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารเพียงทันใช้คำว่าสิ่งที่นำผลมา การนาผลมาอาจจะนำดีก็ได้นำไม่ดีก็ได้จะขึ้นอยู่กับตัวอาหารเหล่านั้นเช่นอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปในแต่ละวันนั้นจะนำประโยชน์เกื้อกูลแก่ร่างกายก็ได้นำความทุพพลภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ร่างกายก็ได้มันก็นำกันอยู่อย่างนี้มาตลอดแต่ลักษณะที่นำมาเฉยๆมันก็มีไม่ได้เพราะว่า อาหารที่นํามาที่ที่เข้าไปสู่ร่างกายนั้นจะต้องแสดงปฏิกิริยาออกมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่าเป็นบวกหรือเป็นลบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและแม้แต่แต่ว่าในด้านของวิญญาณอาหารคือความรู้ทางประสาทสัมผัสนั้นอาจจะนําทางดีไม่ดีไดก้กลางๆคือมาได้ทั้งสามทางพันเวลาประสบกับรูปเป็นต้นในบางขณะเราจะรู้สึกพอใจก็แสดงว่านําสุขเวทนามาให้ หรือไม่พอใจก็นำทุกขเวทนามาให้หรือสุกเฉยๆก็นำมาทุกขปัจุบุเวทนามาให้ในกรณีของสัมผัดก็เป็นเช่นเดียวกันปนัญหาสำคัญว่าในแง่ของการดำรงชีตสมาชิกคลทั่วไปซึ่งยังมีกิเลสอยู่ภายในใจอย่างสามาัญชนทั้งหลายนั้นทำอย่างไรในการเหนียวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายจะนาผลในทางบวก คือผลในทางสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นความสุขความสงบขึ้นภายในจิตใจของตนนี่คือประการที่สำคัญเพราะการจะไปละสงบระงับดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงนั้นในชั้นนี้ก็ยังทําไม่ได้ก่อนแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรจะลดความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของตนมากอยู่แล้วให้เบาบางลงไป ต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลฉลาดในกระบวนของความคิดเดี๋ก่อนจะเหนียวนึกถึงเรื่องอะไรก็ตามแจะพราบว่าอาการเหนียวนึกในลักษณะนี้มันก็คืออาการของสตินั่นเองสติแปลว่าความระลึกได้เึกถึงเรื่องอะไรระลึกถึงเรื่องที่ทําบ้างเรื่องที่คําพูดบ้างเรื่องที่เคยคิดบ้างที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็สติจะทําหน้าที่เป็นตัวระลึกแต่เมื่อมาในรูปของ ความเป็นมโนสัญเจตนาหันไอสิ่งที่เรานามาระลึกนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเก็บไว้ปัญหาว่าเราเก็บอะไรไว้ถ้าจะเทียบเคียงได้ง่ายมันเหมือนกับเราเอาของใส่ถุงไว้แล้วก็หยิบของออกมาจากถุงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การหยิบเท่าไหร่นักแต่อยู่ที่สิ่งที่เราเก็บไว้ ถ้าเราเก็บอะไรไว้มันก็ต้องหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาจนได้แต่เก็บสิ่งที่ดีเอาไว้ทุกครั้งที่หยิบมันก็มีสิ่งที่ดีเกิดติดมือมาแต่เก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้มันก็ติดสิ่งไม่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเก็บปนครับมันก็ปนๆกันอยู่อย่างนั้นตามปกติแล้วจิตใจคนจะเก็บผสมผสานคือจะเก็บทั้งดีทั้งไม่ดีเอาไว้ภายในใจ ฉต่นั้นเวลาเหนียวนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นมันก็เหนียวนึกมาได้ทั้งสองทางบางทีก็ต่อต่อกันไปจะนึกถึงคนคนหนึ่งเราเก็บเขาไว้ทั้งสองแนวคือเก็บแนวดีบ้างแนวไม่ดีบ้างเวลาเป็นเหนียวนึกถึงคนนั้นเราก็รู้สึกทั้งสองด้านรู้สึกดีก็มีรู้สึกไม่ดีก็มีบางทีก็มองเขาด้วยความชื่นชมในความดีอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเสร็จแล้วแต่ วันก่อนนี่ด่าเราวันก่อนนี่สบ ป, ประมาทเราวันก่อนนี่อาของเราไปไม่บอกเมื่อก่อนมันก็นำสุขเวทนามาให้เพราะว่าเหนียวนึกในแง่ดีของเขาแต่พอเริ่มหลังจะแต่ไปใจก็ไปเหนียวนึกถึงเรื่องไม่ดีของเขาทุกขเวทนาก็เกิดก็ตกลงว่าเรื่องเหล่านี้ที่จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ใช่สอนเฉพาะแก้ตรงนี้เป็นการสอนมาแล้วตามขั้นตอน เทนการหลีกเว้นใน ห, ห่างไกลจากอารมณ์ที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตอี่าอยู่ในประเทศที่สมควรคบหากษัตริย์บุรุษแต่ล้วก็จริงบางทีก็ทำไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วก็ทำไม่ได้ต่ทำไม่ได้ก็ส่งสอนไม่คบหาสมาคมกับผู้คนพานโคหากับบัณฑิตอา้าวบางทีก็ทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้ก็ต้องเกี่ยวข้อง กับคนทั้งดีและไม่ดีก็พยายามอย่าไปรับแนวความคิดของคนไม่ดีรับแนวความคิดของคนดีหรือไม่ใส่ใจในเรื่องไม่ดีให้ใส่ใ จ, จเฉพาะเรื่องดีๆส่วนใหญ่มันก็ทําไม่ได้ก็แสดงว่าปูวิญญาณอาหารก็สร้างปัญหาแล้วพอไปรับรู้ทั้งดีไม่ดีมาภาษาสารก็มีปัญหาคือกระทบทั้งด้านดีและไม่ดีดังนั้นเป็นเรื่องแน่นอนเราเกิดว่าต้องเก็บไว้ แต่ว่าการเก็บไว้นั้น็นสังเกตว่าเหมือนกับของที่เก็บไว้ในถุงดังกล่าวแล้วเราสามารถเลือกหยิบได้แม้จะปนกันอยู่ก็ตามเราสามารถเลือกหยิบเฉพาะของที่มันเป็นประโยชน์ของดีๆขึ้นมาได้นั่นคือภาพที่เป็นรูปธรรมแต่นั้นสิ่งที่เก็บไว้ภายในใจที่มีการเก็บการสะสมไว้ทั้งดีและไม่ดีบุคคลผู้ฉลาดเวลาจะ เนี่ยนึกเอาสิ่งเหล่านั้นเท่าก็สอนในเนี่ยวนึกเฉพาะเรื่องดีๆออกมาถ้ามาไม่ดีเราไม่ดีมันก็อยู่อย่างนั้นแต่เราก็เนี่ยนึกเอาเฉพาะเรื่องดีๆเอไการแก้ปัญหาเรื่องไม่ดีนั้นอาจจะข่มใจห้ามใจอดทนให้อภัยลืมเสียช่างเขาเถอะเป็นต้นแล้วก็ดึงเอาเฉพาะเรื่องดีๆ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป้าหมายในการปฏิบัติรือในการดํารงชีวิตเมื่อลราวโดยสรุปก็คือความสุขความสงบให้ลองสังเกตว่าสิ่งที่เรียกว่านิวรนคือกิเลสเป็นสนิมใจเป็นเครื่องกั้นใจที่ท่านพูดเอาไว้ในที่ต่างๆมากนั้นพึงเข้าใจว่าอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ไม่จาเป็นวต้องเรียกนิวรแต่ว่าเป็นภาษาที่ ฟังกันแล้วเกิดความเข้าใจท่านก็ใช้คาว่า น, นิวรนเป็นพื้นแต่เมื่อกล่าวโดยโดยสรุปแล้วว่าความตึกนึกอะไรก็ตามที่เป็นการเพิ่มกิเลสซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มผูเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนั้นผู้ปรารถนาความสุขความสงบภายในใจต้องไม่คิด เพราะถ้าคิดเป็นการสร้างเหตุที่ขัดแย้งกับความต้องการของตนคล้ายๆกับต้องการจะรู้หนังสือแต่ก็ไม่อ่านหนังสือต้องการจะร่ำรวยแต่ขี้เกียจทางานต้องการนายกย่องว่าเราเป็นคนดีแต่เราก็ไม่ทำดีความต้องการนั้นขัดแย้งกับผล เ, เหตุที่เรากระทำนั้นขัดแย้งกับผลที่เราต้องการ ซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะโดยพื้นฐานความต้องการหลักคือต้องการความสุขหรือความสงบเพราะในการมโนสัญเจตนาหารคือความจงใจเดี่ยวนึกสิ่งต่างๆนั้นจะต้องเป็นการสร้างเหตุเพื่อเกิดผลอย่างนั้นเพื่อเกิดผลเป็นความสุขความสงบในกรณีของนิวรณ์ ให้ลองสังเกตว่าเวลาใจเป็นเหนียวนึกในแง่ของความกำหนัดระคร่เพลิดเพลินยินดีจะมีกิเลสประเภทต่างๆเกิดขึ้นติดตามมามีตัวเร่งจากข้างในก็ได้มีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกก็ได้แต่ความบันใจจะสายขึ้นไปโดยลาดับแม้การสายนั้น ถ้าลองสังเกตการที่ออกมาแรงคือออกมาทางวาจาออกมาทางการกระทามันเป็นการยื้อแย่งเป็นการช่อชนเป็นการปล้นเป็นการจรี้การทำลายหรือปล้นฆ่าเป็นต้ น, นที่จริงแล้วมันเริ่มมาจากจิตที่คิดด้วยอำนาจความอยากในอารมณ์นั้นอยากได้อยากครอบครองอยากถือครองในสิ่งนั้น แล้วปล่อยให้กระแสะความคิดแกไหลเพิ่มขึ้นมาโดยลาดับมีลักษณะเหมือนน้ำที่ไหลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและในสุดมันก็พังทำลายสิ่งต่างๆที่กั้นตัวเองเอาไว้ที่กั้นน้ำกดดันเอาไว้จิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความเหลียวนึกของบุคคลถ้าออกมาในทางลบแล้วไม่ได้ลบเฉพาะจิต คือไม่ลบเฉพาะสร้างความขุดหมูสร้างหมองขึ้นภายในจิตแล้ถ้าความคิดในแนวนั้นเพิ่มสูงขึ้นในสุดสินก็รักษาไว้ไม่ได้อาการกายวาจาที่เป็นสุจริตเราก็รักษาไว้ให้เป็นสุจริตไม่ได้แล้วก็ออกมาเป็นทุจริตทางกายทางวาจาก็แรงมากแรงน้อยขึ้นอยู่กับกระแสความคิดซึ่งคนนี้เพิ่สังเกตว่า เรามีการพูดในภาษาไทยที่เกี่ยวกับการกระทําของบุคคลในทางที่เป็นการเหนียวนึกหรือเริ่มมาจากการเหนียวนึกในทางไม่เหมาะไม่ควรและปริมาณของกิเลสก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งมีการกระทําบ้างมีการพูดบ้างแล้วเราก็ตําหนิการกระทําหรือคําพูดในลักษณะนั้น ็นบางครั้งถือว่าไม่มีสมบัติพุดดีเป็นคาหยาบหรือเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นถ้าจะถามมาทำไมคำนั้นถูกกาหนดว่าหยาบก็ย้อนกลับไปหาจิตก็จะเห็นว่าจิตเป็นเหนียวนึกถึงกิเลส ท, ที่เพิ่มความหยาบขึ้นมามันหยาบมาจากจิตก่อนแต่แล้วมันก็ล้นออกมาโดยทรรมด์กระเบิดเปล่องปล่้งออกมาทางกายบป้งทางวัจาบ้าง้ง บางทีเราใช้คําว่าแสหรใช้คำว่าหาเรื่องบางครั้งเราใช้คำว่าสอดบางครั้งแรงๆจะถูกตําหนิว่าเสือกเสือกนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงแรงแล้วก็หนุนกันไม่มีทิศทางลักษณะรวดหรือคําพูดบางอย่างที่พระเจ้าเคยตําหนิท่านอุททายีพระเจ้ารับสั่งว่าพร่งพร่งนั้นคืออะไร คือลักษณะของความเหนียวนึกในลักษณะที่พรีแพรมพูดพร่งออกไปโดยไม่ดูทิศดูทางดูหัวดูหางของเรื่องเหล่านั้นอาการเหล่านี้ที่จริงแล้วที่เรากําหนดว่าหยาบนั้นตัวการหยาบมันอยู่ที่จิตซึ่งหยาบตัวกิเลสปรุงจนแรงเกินไปแล้วควบคุมทิศทางของการกระทําไม่ได้วันที่แสงที่หาเรื่อง อย่างหาเรื่องนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องมันไม่มีแต่ว่าใจเป็นเหนียวนึกเหนียวนึกจนสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นการกระทำทางกายบ้างทางวา จ, จารบ้างเราก็บอกาหาเรื่องแต่ก็ไม่ได้สอบถามมาทำไมจึงเกิดอาการหาเรื่องขึ้นมาพอสาวลงไปนึกออไอจิตมันปเป็นเหนียวปเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วในที่สุดก็ควบคุมความคิดช่วงนั้นไว้ไม่ได้ก็ล้นออกมา ก็มีการกระทําในลักษณะต่างๆ่างนาฏกรรมแล้วความสวัสดีที่ต้องการปรารถนามันก็เกิดขึ้นไม่ได้จะถามมาเป็นมโนสัญเจตนาอาหารไหมก็เป็นแต่นําผลในทางที่ไม่ดีไาเหมือนกินอาหารที่เป็นพิษร่างกายก็ต้องทุกพลภาพต้องเจ็บปวดรุ่ดราวการสอนในแนวนี้จึงสอนให้เลือกเฟ้นอารมณ์ ตัวก็เองเป็นอปยากตะตะทำเราไปทำอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่ปัญหาสำคัญว่าการเหนียวนึกนั้นจะเลือกเหนียวนึกเอาได้ไหมเลือกเหนียวนึกที่มันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสุขก็หมับเราและบุคคลอื่นได้ไหมก็ตอบมาได้แต่ว่าต้องใช้ความเพียรพยายามเอาเฉพาะในช่วงเป็นการเหนียวนึกเห็นได้ว่าเมื่อมีอารมณ์ที่ให้เลือก เราก็ใช้คุณสมบัติของเราที่มีอยู่นั่นเองเช่นเวลารับประทานอาหารอาหารเต็มโต๊ะเราก็ไม่นิสัยอาหารอาหาอะไรดีมีประโยชน์ก็รับประทานเข้าไปไม่ดีไม่มีประโยชน์มันวางอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่รับประทานเข้าไปและในกรณีของอาหารที่เรารับประทานก็มีการเลือกอันนี้ไม่ดีไม่ควรรับประทานอันนี้กล้างไม่ควรรับประทานเธอแดงว่า із, การเลือกนั้นเราก็เลือกกันอยู่แล้ว ได้วความปลอดภัยความสวัสดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เกิดการเกิดจากการรู้จักเลือกแต่พอมาถึงการเลือกคิดเป็นเรื่องละเมียดระมดมไม่ขึ้นมามันยากหน่อยแต่นั้นเองเพราะว่าก็เป็นนามธรรมแต่ว่าคุณสมบัติตั้งเดิมที่มีอยู่ภายในใจนั้นคือการรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งต่างๆเอาเฉพาะส่วนดีๆทอดทิ้งลลนี่ละเว้นหรือไม่สนใจในสิ่งที่ไม่ดีนั้นคนทําได้อยู่แล้ว แต่นั้นเวลาจะเหนียวนึกถึงอารมณ์ก็ทํำยังไงจึงจะพยายามมโนสัญเจตนาหานั่นแหละคือใจเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์ต่างๆที่อาจจะผ่านมาก็ตามเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ตามหรือว่าอาศัยโครงสร้างของความคิดในปัจจุบันเป็นเหนียวนึกในแง่การต้องการได้ต้องการมีในอนาคตก็ตาม เราก็สามารถที่จะเหนียวนึกได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดในสายตรงกันข้ามกับกามฉันคือความคิดของการสละละวางการผ่อนคลายการเสียสละการสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นข้อ น, นี้จะเห็นว่าความคิดในแนวของกามฉันที่คว้านั้นพอเราตั้งปัญหาถามมาคิดเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์ยังไงเราจะประโยชน์นั้นเราจะตอบได้เพียง ช่วงชาติปัจจุบันแล้วมีความทุกข์ที่ห่อคุ้มดีือข้อมล้อมอยู่ส่วนความคิดในแนวสละละวางนั้นเราเห็นความสงบความเยือกเย็นความผ่อนคลายปรากฏขึ้นภายในจิตความโลภที่เคยมีก็จางลงความโกรธความริษยาอาฆาตก็จางลงแ น, น, น่นอนว่าพวกนี้จางลงโมหะซึ่งเป็นต้นรากของกิเลสแก่ก็จางตามไปด้วย เป็นความจางไปของกิเลสปรากฏที่ใจดังนั้นเมื่อคิดไปถึงแม้แต่คิดที่สิ่นจึงได้ทาให้เราสังเกตว่าพวกศีลานุสติจากานุสติก็คือลักษณะของมโนสัญญาณาาหารคือความจงใจเหนียวนึกถึงความดีที่เราได้เคยทําศีลานุสติการย้อนตั้งสติตามระลึกถึงศีลของเราเป็นศีลอดีตเป็นการระลึกถึงศีลในอดีต เช่นนันท่านสาธารชนสมาทานศีลช่วงเช้าพอถึงช่วงเย็นเราก็ไปย้อนระลึกถึงศีลตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นนี่การรักษาศีลถูกต้องบริสุทธิ์หมดจดดีไหมถ้าไม่เห็นความบริสุทธิ์หมดจดเห็นจุดบกพร่องก็เกิดความสัมรวมระวังที่จะต้องพยายามแก้ไขในโอกาสต่อไปพอเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของศีลก็จะเกิดปีติปราโมทย์ มองเห็นความสุขความส ง, งบที่ปรากฏในขณะนั้นเชื่อมโยงกลับไปหาได้วันนี้มันมาจากศีลชั้นเท่า usaha าาที่จะสมาทานศีลก็เกิดขึ้นตามมาเป็นการเพิ่มกุศลขึ้นในสายนั้นพวกจาคารุติก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะลักษณะของมโนสัญเจตนาหารนั้นถ้าเราเลือกคิดเราเลือกคิดเลือกปรุงเอาเราก็ทําได้เราก็ปรุงได้หรือแม่แต่สิ่งที่เป็นความไม่ดี ที่เก็บไว้ภายในใจถ้าเข้าใจเหนียวนึกโดยใช้ปัญญาเข้ากากับความคิดเหล่านั้นจว่าเกิดความผิดพาลาดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นปกติธรรมดาของชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดสำนวนที่เขาพูดกันัวาหารชาวโลกว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรไอ้ไม่เคยทาอะไรมันก็ผิดอยู่แล้วเกิดมาได้ยังไงไม่ทาอะไร เพราะนั้นจึงไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดพระเจ้าเองพระองค์ก็บอกรอุ่งเคยทําผิดมาอย่างนั้นอย่างนั้นในชาติในภพต่างๆและแม้ในชาติที่เป็นเจ้าชายติศาเองก็ทรงกระทําความผิดไว้มากพราะ้นผิดไปแล้วก็ถือว่าเป็นครูจะตั้งใจสํารวมระวังต่อไปเพราะในการระลึกถึงความผิดเป็นสังเกตเช่นพระเจ้าสอนให้บุคคลตรวจสอบดูศีลของตัวเองเห็นไพร ะ, พระ ตรสอบดูสินของตัวเองจะค่ะทำปฏิโมกต์ดูซิมีอะไรบุกร่องบ้างไหมพอเห็นว่าเป็นความผิดก็ไปสารภาพและตั้งใจจะสํารวมระวังต่อไปแสดงว่าแม้เรื่องไม่ดีถ้าเราคิดเป็นเราก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องดีแล้วจะง่ายมากยิ่งขึ้นจากนั้นใ น, ในกรณีที่คิดตรงกันข้ามกับกามฉันคือคิดสละล ะ, ละวางกามฉันนั้นถ้าเรียกวิตกเราเรียกว่ากามวิตก วันคิดตรงกันข้ามกับการมาารีฉันก็คือคิดเป็นเนคขมวิตุกเหตความตรึกนึกเพื่อจะทำกายทำจิตของตนให้ออกไปจากอำนาจของกิเลสการมเป็นการสละละวางเป็นการคิดเปื่อกกระทำความดีในด้านต่างๆคิดถึงทำแล้วหรือไม่จะทำก็ตามแม้คิดจะทำใจในขณะนั้นจะแล่นไปในวิถีของกุศลคือในทางของกุศลได้อย่างต่อเนื่อง ข้อนี้รพระพุทธเจ้าได้เล่าถึงคนเป็นนันมากในพวกวิมานวัตถุเป็นต้นมันอยู่ที่ใจซึ่งเหนียบนึกตั้งใจจะทำแต่ยังไม่ได้ทำแต่อย่าลืมว่าในขณะนั้นกุศลกุศลกรรมหรือกุศลเจตสิกเกิดขึ้นปรุงจิตอยู่คุ้มครองรักษาจิตอยู่จิตมีความสุขมีความสงบมีกุศลธรรมเข้าปรุงแม้จะไม่ได้ทาตามตั้งใจ แต่มนโนสุจริตเกิดขึ้นแล้วกายสุจริตเกิดขึ้นแล้วลวิจิสุจริตได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นบางคนเกิดอุบัติเหตุถูกงูกัดตายบ้างถูกโคควิดตายบ้างถูกอันตรายถูกคนที่เป็นศัตรูทำอันตรายบ้างแต่เป็นการทำอันตรายในขณะที่สุจริตเกิดพร้อมทางใตถวาวรใจ ก, ก็แท้ก็ของแข็งแลบังเกิดในสุคติได้ ลักษณะของมโนสัญเจตนาอาหารจึงเป็นการปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันเช่นที่จึิงมันก็ทุกข้อแหละอาหารทุกข้อก็เป็นเรื่องปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันว่าทำยังไงควบคุมความคิดย้ายความคิดมันฟุ้งไปมันสร้านไปในอารมณ์ที่จะเพิ่มความเร้าร้อนของตัวเองจะเหนียวนึกถึงอะไรจะย้อนอดีตอย่างไรก็ได้แต่ย้อนเลือกย้อนออยเฉพาะที่มันดีๆที่เป็นไปเพื่อความสุขความสงบ ความเยือกเย็นของภายในจิตเกิดให้เป็นมีปีติปราโมทขึ้นมาเรื่องที่ไม่ดีก็ลืมๆมันใช่บ้างเพราะอะไรเพราะถ้าคิดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จะคิดทำไมสิ่งที่จะต้องตั้งคําถามเกิดขึ้นภายในใจก่อนที่จะเดี๋ยวนึกถึงเรื่องอะไรก็ตามคือจะถามว่าคิดเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแต่เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์ก็ให้หยุดความคิดล่านั้น เป็นการปิดกั้นกระแสของกิเลสเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันในส่วนที่เห็นว่าได้ประโยชน์ก็เดียวนึกถึงเรื่องเหล่านั้นผลที่สัมผัสได้ในขณะนั้นก็คือความสุขความสงบและเป็นผลที่บุคคลสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ด้วยมโนสัญเจตนาหารของตนต่อนตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป